ดังเช่นเมื่อตังกิตแผ่เมตตาออกไปในสัตว์ทั้งหลายวาสัสเบสัตตาตว์ทั้งหลายทั้งปวงสุกิตาหุนตตจงบรรลุถึงความสุขเถิดดังนี้ ในทิศเบื้องหน้าในทิศเบื้องขวางในทิศเบื้องหน้าในทิศเบื้องขวาในทิศเบื้องหลังในทิศเบื้องซ้ายในทิศเบื้องบนในทิศภายล่างและในทิศเบื้องขวางโดยรอบก็ ปฏิบัติทมสติแผ่เมตตาคือสติที่ระลึกไปดังนี้ระลึกถึงสัตว์ทั้งปวงและระลึกแผ่จิตออกไปด้วยเมตตาว่าให้มีความสุขระลึกไปถึงพิศทั้งหลาย ดังที่กล่าวมานั้นคือแร่ออกไปในทิศทั้งหลายดังที่กล่าวมานั้นดังนี้เป็นสติทั้งนั้นก็ต้องใช้สติในการปฏิบัติแผ่เมตตาจิตและก็ใช้วิจัยคือจำแนกธรรมะกล่าวคือ เมื่อจิตแพ่ไปมีสัตว์ทั้งหลายเป็นอารมณ์ก็รู้ว่านี่แพ่ไปมีสัตว์ทั้งหลายเป็นอารมณ์แหละเงบแพ่ไปในทิศใดทิศหนึ่งก็รู้ว่าแพ่ไปในทิศนั้นทิศนี้ จำแนกทิศได้ถูกต้องว่าเบื้องหน้าเบื้องขวางเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนเบื้องล่างและเบื้องขวางโดยรอบจำแนกทิศได้ถูกถ้าไม่มีวิจัยคือจำแนกดังนี้ก็แจกทิศไม่ถูกสับสนหมดแต่ที่แจกได้ดังนี้ก็เพราะว่าจำแนกทิศได้ถูกต้อง อันหนึ่งและเมื่อจิตมีเมตตาก็รู้ว่าจิตมีเมตตาหากมีปฏิฆพยาบาทพุทขึ้นมาในขณะที่แผ่เมตตาก็รู้ว่านี่ปฏิฆพยาบาทพุทขึ้นมาในจิตหรือเมื่อราคะพุทขึ้นมาก็รู้ว่าราคะพุทขึ้นในจิต หรือเมื่อความฟุ้งซ่านไปอย่างอื่นถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้แทรกเข้ามาก็รู้ว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้แทรกเข้ามาหรือเมื่อ ง, ง่วงก็กำหนดให้รู้จักว่านี่ง่วงแทรกเข้ามาสงสยัยเครืบแแปลงอะไรโผล่เขาก็รู้ว่านี่สงสัยเครื่แอแปลงอะไรโผล่ขึ้นมาก็กำหนดให้รู้จักว่า นี่เป็นนิวอนเครื่องกันเม่ให้ได้สมาธิก็สงบไปเสียเมื่อเมตตาจิตโผล่ขึ้นมาเป็นความเมตตาเป็นความเย็นเป็นความสงบก็รู้ว่านี่เป็นกุศลเป็นสิ่งที่ต้องการ ก็รักษาเอาไว้และรักษาเมตตาให้มากขึ้นดังนี้ก็เป็นธรรมวิจัยแล้วก็เป็นวิทยะคือความเพียรประกอบกันไปคือเมื่อวิจัยออกมาว่าเป็นอกุศลมีโทษก็ละเสียวิจัยออกมาว่าเป็นกุศลมีคุณไม่มีโทษก็รักษาไว้ และปฏิบัติเพิ่มเติมขึ้นก็เป็นวิริยะสมโ์ชงและเมื่อเป็นดังนี้จิตก็จะตั้งมั่นอยู่ในเมตตามากขึ้นบรรดาอากุศลและจิตที่โผล่ขึ้นมาต่างๆอันประกอบด้วยราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างก็จะสงบลงไป เมื่อเป็นดังนี้จิตก็สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นเต็มไปด้วยกุศลมากขึ้นปีติก็บังเกิดขึ้นมังเกิดขึ้นเองเป็นความอิ่มใจเป็นความอิ่มเ อ, อิบในธรรมในกุศลก็เป็นปีติสัมโพชฌงและเมื่อเป็นปีติสัมโพชฌงกายใจก็สงบเป็นปัจจิสัมโพชฌง เจ็ดก็ตั้งมันเป็นสมาธิมากขึ้นในเมตตาที่แพ่ออกไปนั้นเป็นอุปจารสมาธิสมาธิที่เฉียดเฉียดจนถึงเป็นอปปนาสมาธิสมาธิที่แนบแนนก็เป็นสมาธิสมโพธชงก็เข้าไปเพ่งดูจิตที่เป็นสมาธินี้ให้รู้จักจิตที่เป็นสมาธินี้สงบอยู่ ความสงบอยู่นี่ก็คือความวางได้และความเฉยได้อันเป็นลักษณะที่มักจะแปลอุเบกขาว่าความวางเฉยวางได้ก็คือว่าวางความวุ่นวายต่างๆเฉยได้ก็คือว่าสงบไม่ทุรนทุรายเป็นความเข้าไปเพ่งสงบอยู่ก็เป็นอุเบกขาสัมโพธิชน อันสมาธิและอุเบกขานี้มักจะแสดงรวมกันในสมาธิที่เป็นอปปนาคือแนบแน่นดังที่แสดงว่ามีองค์ก็คือเอกคตาความที่มีอารมณ์เป็นอันเดียวกับอุเบกขาความเข้าไปเพ่งเฉยอยู่ดังนี้และเมื่อมีทั้งตัวเอกคตา ที่เป็นสมาธิโดยตรงกับอุเบกขาดังกล่าวประกอบกันอยู่ก็เรียกว่าเป็นสมาธิที่แนบแน่นอันเป็นอัปปนาสมาธิถ้าหากว่าขาดอุเบกขาเสียแล้วสมาธิก็ตั้งมั่นอยู่นานไม่ได้มักจะได้แค่อุปจาร์ซึ่งมีสมิอุเบกขาอยู่น้อย และเมื่อมีอุเบกขาอยู่มากพอเพียงที่รักษาเอกขตาจิตคือจิตที่มีอารมณ์เป็นอันเดียวไว้ได้มากก็เป็นอปปนาที่แนบแน่นอยู่ได้นานเพราะฉะนั้นอุเบกขาจึงมักแสดงรวมอยู่ในข้อสมาธิแต่ในที่นี้แยกออกมาเพื่อคิดว่าเมื่อในสมาธิจิตรวมเข้ามาแล้ว จะต้องได้อุเบกขาคือความเข้าไปเพ่งสงบอยู่คือรู้จิตที่เป็นสมาธินี้ดูจิตที่เป็นสมาธินี้เห็นจิตที่เป็นสมาธินี้สงบอยู่ด้วยสมาธิจึงจะเป็นอัปปนาคือแนบแน่นแ น, แน่วแน่และแนบแน่นแน่วแน่อยู่ได้นานดังนี้ก็เป็นอุเบกขาสำโพชฌงเพราะฉะนั้นแม้ในการปฏิบัติ ทำเมตตาภาวนาอบรมเมตตาจิตก็จะต้องใช้พจนชงเจดมาประกอบมาช่วยจึงจะได้ผลในการอบรมเมตตาในข้ออื่นก็เช่นเดียวกันและนอกจากนี้พระพุทธเจ้ายังได้ตรัสสอนเรียกว่าให้ปฏิบัติกรรมาฐานทุกข้อก็ได้ ให้ประกอบด้วยโพธชงทั้งเจ็ดนี้หรือว่ากล่าวอีกอย่างหนึ่งรัดยกเอาโพธิ์ชงทั้งเจ็ดนี้เป็นที่ตั้งว่าปฏิบัติอบรมโพธชงทั้งเจ็ดประการนี้ให้ประกอบด้วยกรรมฐานได้ทุกข้อดังเช่นหมวดพรหมวิหารสี่ดังที่กล่าวมาและ ในหมวดอื่นเช่นในกสินสิบใน อ, อสุวพาสิบในอนุสติสิบเหล่านี้ก็ได้ตรัสสอนเอาไว้ให้อบรมปฏิบัติโพชฌงทั้งเจ็ดให้ประกอบด้วยกรรมฐานเหล่านี้หรือเราอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการปฏิบัติกรรมฐานเหล่านี้ทุกข้อก็ให้ปฏิบัติในทางของโพชฌง ทั้งเจ็ดดังที่กล่าวมาและแม้ในโมดสติปัฏฐานที่ได้แสดงมาแล้วตามหลักธรรมะที่ตรัสไว้ในมหาสติปัฏฐา น, นาสูตรการที่จะปฏิบัติทำอาณาปานาสติสติกำลดลมให้ใจเข้าออก การรมสติในอิริยาบทหรือสัมบัญญใัในอิริยาบททั้งสี่ในอิดิยาบทที่ปริกย่อยออกไปจำแนกละเอียดออกไปในการพิจารณากายนี้ ว่าประกอบด้วยอาการทั้งหลายส1อหรือสาสสองล้วนไม่สะอาดล้วนเป็นของปฏิกูลการกำหนดพิจารณาธาตุทั้งสี่และการกำหนดพิจารณาปาชาทั้งเก้า คือซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าชา้าที่ตายวันหนึ่งตายสองวันตายสามวันขึ้นพองมีสีเขียวหน้าเกลียดซากศพที่ถูกสัตว์ทั้งหลายกัดกินเป็นจนว่าถูกกาถูกนกตะกุ่มถูกสุนัขบ้านถู ก, ถกสุนัข ก, กินจอก ถูกสัตว์เล็กน้อยทั้งหลายกัดกินซากศพที่เป็นโครงรากกระดูกยังเปื้อนเลือดเปื้อนเนื้อประกอบด้วยเนื้อเส้นเอ็นริ่งรัดและซากศพที่ไม่มีเนื้อแต่ยังมีเส้นเอ็นริ่งรัดและซากศพที่ไม่มีเส้นเอ็นริ่งรัด เป็นโครงรากกระดูกจึงกระจุยกระจายไปในทิศท้งหลายกระดูกศีรษะก็ไปทางหนึ่งกระดูกคอกระดูกแขนกระดูกขาก็ไปทางหนึ่งเหล่านี้เป็นต้นสักศรที่เป็นกระดูกมีสีขาวเหมือนดังสังศักศพที่เกินปีหนึ่ง แยกกันอยู่เป็นกองๆตลอดจนถึงซากศพที่ผุเป็นผุ้ยผงอันแสดงถึงว่ากายอันนี้นั้นเมื่อยังดำรงชีวิตอยู่ก็เป็นกายที่หายใจเข้าหายใจออกพัดเปลี่ยนอียาบททั้งสีได้พัดเปลี่ยนอียาบทเล็กน้อยทั้งหลาย ที่จำแนกออกไปอย่างละเอียดได้ประกอบโดยอาการส1 3สาสองซึ่งต่างก็มีอาการคือการปฏิบัติหน้าที่ของตนของตนรวมเข้าก็เป็นธาตุคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมหรือเกิดอากาศสถธาตุเป็นธาตุหกลายที่มีชีวิตอยู่จึเป็นดังนี้แต่ว่า เมื่อธาตุทั้งหลายแตกสลายกลายนี้ก็กลายเป็นศพและเมื่อเป็นศพแล้วก็เป็นอันวายุดใหายใจการที่จะพลัดเปลี่ยนียาบททั้งปวงก็เป็นไปไม่ได้และอาการสามสาสบสองก็หยุดการทำงานการทำหน้าที่ธาตุทั้งสี่นั้นก็กระจตกระจายไป ในทีแรกก็ยังรวมกันอยู่เป็นศพเหมือนยังศพที่ตายใหม่ๆและเมื่อทิ้งเอาไว้ไม่จัดไม่ทำในป่าช้าก็จะถูกสัตว์ทั้งหลายกัดกินหรือว่าเน่าเปื่อยไปเองก็จะเหลือแต่โครงร่างกระดูกที่ทีแรกก็ยังมีเลือดมีเนื้อและมีเส้นเอ็นหรือรัดต่อไปเลือดเนื้อก็จะหมดไป ยังมีเส้นเอ็นที่รัด ร, ร่างกระดูกก็ยังรวมกันอยู่แต่ครั้งเส้นเอ็นที่รัดนั้นไม่มีเสีย อ, อีกแล้วกระดูกที่รวมเป็นร่างอยู่ก็จะกระจายไปคนอาทิตย์คนละทางก็เป็นกระดูกที่เป็นสีขาวเกรือนกลลนอยู่แล้วก็จะเป็นกองเล็กกองน้อยจนถึงผูกปนไปในที่สุด เหล่านี้ก็เป็นอันว่ากายของทุกๆคนนี้ทีแรกก็ไม่มีแต่เมื่อมีขึ้นมาด้วยชาติคือความเกิดก็ต้องประกอบโดยชาราความแก่มรณะความตายในที่สุดแล้วก็กลับไม่มีเหมือนอย่างที่เคยไม่มีมาก่อนดังนี้ก็เป็นการตรัสสอนในพิ จ, จารณาเป็นสติที่เป็นไปในกาย อันเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานและในการปฏิบัติกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนี้ก็ปฏิบัติทางโพชฌงได้ดูสติที่เระลึกไปดังกล่าวมานี่ก็เป็นสติสัมโพชฌงแม้วก็มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงวิจัยกายนี้เองตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสั่งสอนไว้และตามที่เป็นไปจริง เราก็ตรัสสั่งสอนไว้ที้เข้ามาถึงสัจจะคือความจริงอันมีอยู่ที่ร่างกายของทุกๆคนนี้เองแล้วก็ตรวจดูจิตใจเมื่อจิตใจอันนี้มีสติที่ตั้งมั่นที่ลึกอยู่และมีความรู้รวมอยู่เป็นจิตใจที่สงบประกอบด้วยสติด้วยปัญญาสติปัญญานี่ก็เป็นกุศลละธรรม หากม่ดีวอข้อใดโผล่ขึ้นมาก็รู้ว่าเป็นอกุศลธรรมต้องวิจัยจิตของตัวเองให้รู้ดังนี้แลว้วก็ใช้วิทยะคือความเพียรและอกุศลธรรมที่บังเกิดขึ้นอันใดที่เป็นอกุศลธรรมเป็นตัวสติเป็นตัวปัญญาก็รักษาไว้เมื่อเป็นดังนี้แล้วก็จะได้ปีติได้ปัตธิได้สมาธิได้อุเบกขาในการปฏิบัติ กายานุปัสสนาสติปัฏฐานนี้มากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับดังนี้ก็เป็นการปฏิบัติสติปัฏฐานอาศัยโพธชงทั้งเจ็ดนี้หรือปฏิบัติในโพชชงทั้งเจ็นี้ประกอบด้วยสติปัฏฐานข้อกายได้ทุกทุกข้อดังที่กล่าวมานั้นดังนี้คือการปฏิบัติอบรมโพชชงตึงพระพุทธเ จ, จ้าตรัสว่าเป็นวิธีละ อาสวะอีกข้อหนึ่งอันเป็นข้อสุดท้ายแล้วก็เป็นข้อครบทั้งหมดซึ่งปฏิบัติทุก ข, ข้อที่กล่าวมาข้างต้นนั้นก็ใช้วิธีโพชงทั้งเจ็ดนี้ปฏิบัติได้ดังที่ตรัสสอนไว้เพราะฉะนั้นวิธีละอาสวะที่พระพุทธเจ้จาได้ตรัสสั่งสอนไว้นี้จึงเป็นวิธีที่เป็นประโยชน์สําหรับโอมงปฏิบัติธรรมทั้งปวงซึ่งจะพึงใช้ได้ตั้งแต่ในขั้นปฏิบัติเบื้องต้น จนถึงที่สุดซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าก็จะประสบความสำเร็จในการสังวรคือป้องกันกำจัดละอาสวะทั้งปวงได้ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสตดและตั้งใจทาความสงบสุขต่อไปบัดนี้จะแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรม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 กรรมฐานที่พระสาริบุตรเทระได้สันภิกษุทั้งหลายในอันน่งคณสูตรนำสติปัฏฐาน พันพระสาริบุตรเทระได้กล่าวสอนภิกษุทั้งหลายมีความว่ามีบุคคลทั้งหลายในโลกนี้สี่จำพวกจำพวกที่หนึ่ง เป็นภูมิกิเลสเพียงดังเนินก็ไม่รู้ว่าตนมีกิเลสเพียงดังเนินจมพวกที่สองเป็นภูมิกิเลสเพียงดังเนินรู้ว่า ตนมีกิเลสเพียงดังเนินจำพวกที่สามไม่มีกิเลสเพียงดังเนินไม่รู้ว่าตนไม่มีกิเลสเพียงดังเนินจำพวกที่สี่ ไม่มีกิเลสเพียงดังเนินรู้ว่าตนไม่มีกิเลสเพีย ง, งเนินท่านะสาธิบุตรได้กล่าวว่าจำพวกที่หนึ่งที่สองนั่นจำพวกที่หนึ่ง คือผู้ที่มีกิเลสเพียงดังเนินไม่รู้ว่าตนมีกิเลสเพียงดังเนินนั่นเลวไม่ดีส่วนจำพวกที่สอง คือผู้ที่มีกิเลสเพียงดังเนินรู้ว่าตนมีกิเลสเพียงดังเนินนั้นประเสริฐดีอีกฝ่ายหนึ่งเป็นพวกที่สามไม่มีกิเลสเพียงดังเนินไม่รู้ว่า ตนไม่มีกิเลสเพียงดังเนินเลวไม่ดีส่วนจำพวกที่สไม่มีกิเลสเพียงดังเนินรู้ว่าไม่มีกิเลสเพียงดังเนินประเสริฐดีดังนี้และท่านก็ได้อธิบาย แกภิกษุทั้งหลายต่อไปว่าข้อว่ากิเลสเพียงดังเนินนั่นคืออะไรท่านก็อธิบายว่าได้แก่อิจฉาวจารได้แก่อิจฉาวจร อันแปลว่าความหยางลงสู่ความปรารถนาความท่องเที่ยวไปแห่งความปรารถนาพิจารณาดูคำนี้ ก็ตรงกับคําที่ใช้ในอภิธรรมถึงจิตที่เป็นกามาพจรอย่างลงหรือท่องเที่ยวไปในกามเป็นต้นแต่ในที่นี้ท่านประสาลีบุตรท่านใช้ว่าอิจฉาวจร แทนกามาผจรก็คือท่องเที่ยวไปในความปรารถนาอย่างลงสู่ความปรารถนาจึงหมายถึงความปรารถนาต่างๆที่มังเกิดขึ้นในจิตใจ มันเป็นฝ่ายอากุศลโดยที่ท่านประสาริมุตรได้แสดงชี้เอาไว้ว่าฝ่ายที่เป็นอกุศลเพราะความปรารถนาที่บังเกิดขึ้นในจิตใจนั้นย่อมมีได้ทั้งสอง ฝ่ายกุศลก็มีฝ่ายอากุศลก็มีความปรารถนาที่บังเกิดขึ้นในจิตใจซึ่งเป็นตัวกิเลสเพียงดังเนินนี้จึงหมายเฉพาะที่เป็นอกุศลคือเป็นฝ่ายที่ไม่ดี เป็นฝายที่ชั่วและต่อจากนี้ท่านพระสาริบุตรก็ได้แสดงยกตัวอย่างต่างๆเป็นอันมากสำหรับอบรมสั่งสอนภิกษุทั้งหลายกล่าว จำเพาะที่เป็นข้ออธิบายในบุคคลสี่จำพวกนั้นก่อนซึ่งมีใจความว่าจำพวกที่หนึ่งเป็นภูมิกิเลสเพียงดังเนินไม่รู้ว่า ตนมีกิเลสเพียงดังเนินนั่นก็คือผู้ที่มีความปรารถนาเป็นอกุศลต่างๆจิจท่องเที่ยวไปในความปรารถนาที่เป็นอกุศลต่างๆ คือคิดถึงเรื่องนั้นบงังถึงนี้เรื่องถึงเรื่องนี้บงังอันเป็นฝ่ายอกุศลคือไม่ถูกไม่ชอบไม่เหมาะไม่ควรประกอบไปด้วย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 ที่ได้รับความเคารพนับถือต่างๆบ้างเหล่านี้เป็นตน้น